สิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหัวข้อแรกในมัท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 ลูกน้องก็จะไปทางขวาเช่นเดียวกับธรรมอื่นๆเช่นสัมมาสังกัปโปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะ ไปตามทางของสั ม, มาทิจิส ม, มาทิจิคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีวาจาคือการพูดที่ถูกต้อง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 ความคิดของเราก็จะคิดผิดการพูดการกระทาก็จะผิดอาชีพก็จะผิดความเพียรก็จะผิดการระลึกลูบ ก, ก็จะผิดการตั้งมั่นของจิตก็จะผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่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 ขณะที่จิตรวมนี้จิตจะปล่อยวางขันทั้งหมดจิตจะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะปล่อยขันห้าอยู่ตามลำพังเหมือนกับแยกกันเคยเป็นสองคนเช่นกลยเป็นสามีภรรยากันพอเข้าสู่อัปณนาก็เหมือนแยกอยู่กันคนละบ้านสามีไปอยู่บ้านหนึ่งภรรยาไปอยู่บ้านหนึ่ง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 ผู้ที่มีสมาทิฏฐิก็เป็นผู้ที่มีธรรมปจจยาสังขารามีธรรมนาพาว่าอย่าออกไปหาความสุขข้างนอก อ, อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขอย่าออกไปให้กลับเข้ามา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 เราก็ต้องไปหาแฟนใหม่หามากี่คนมันก็จะเป็นแบบเดียวกันหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอย่างที่เราเคยหากันมาแล้วไม่นับไม่ถ้วนพอเราตายจากโรคนี้ไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็ไปหาแฟนใหม่พอแฟนจากเราไปถ้าเรายังอยู่ต่อเราทนอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาแฟนใหม่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 หมอข้าวยังไม่ทันดําก็ทุบตีกันแล้วทะเลาะกันแล้วอย่าล้างกันแล้ว <Yeah. S 1> บางคนก็ไม่ได้ทุบตีกันล่าง ก, กันแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลดความตายไปก็มีเครื่องบินตกก็มี yeah. อันนี้ก็เป็นอนิจจงเหมือนกันเป็นความทุกข์เหมือนกันพอเกิดแล้วพอต้องจากกันปั๊บมันก็หมดไป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 จดจำเอาไว้ให้ดีคือสัมมาสมาทิทิถ้าเรามีสมมาทิทิแล้วการกระทาการพูดการปฏิบัติต่างๆก็จะไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปถ้าเราลืมสมาทิทิเราก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิหลอกให้เราไปหาการเวียนว่ายตายเกิด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 แต่ก็ไม่เข็ดไม่จำพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่สามารถหยุดต้นเหตุที่พำพามาให้เกิดใหม่ได้ก็คือความอยากต่างๆนี้ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้สำมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง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 ยาถาวาริวหาปุราปปริปุเรนติสากหลังเอวเมวาวิโตทินนางเปตานังอ oh ุปการปติอิชิต e ังปฏิต um ังตุ้มหังคิปเมวาสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาราโสยาถา มณิโชติระโสยถาสัพีิติยวิวาชันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวะทานติอายุวันโอสุขัง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 จเจริญสติเช่นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือในกรณีพิเศษคือสําหรับผู้ที่สามารถใช้ปัญญาทําใจให้เป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าปัญญางบ่มสมาธิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดไปในทางปัญญาไปในทางไตรลักษณ์ก็จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้การ จเจริญสติด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกในขณะที่นั่งหลับตาแล้วพอใจรวมเข้าสู่ความสงบความคิดหยุดเหลือแต่ความรู้ความว่าความสงบตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนายังไม่ถึงเวลาเวลานั้นเป็นเวลาที่เราต้องการที่จะรักษาความสงบนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะงงานได้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 ตื่นขึ้มาแล้วเราก็อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเราก็ไปทํางานการไปทํางานนี้เรียกว่าวิปัสนากรรมฐานการทํางานของใจก็คือเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจยังรักยังหวงยังชอบอยู่ว่าเป็นไตรักษว่าเป็นอสุภะเช่นถ้าเราชอบคนชอบสามีชอบภรรยาชอบคนสวยๆงามๆ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 พราะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอยู่เฉยๆได้ก็สบายไม่ต้องทุกกับอะไรนี่แหละคือเรื่องของกรรมฐานวิปัสสนาแต่ต้องเกิดจากหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วหลังจากที่เรามีกําลังที่จะใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ เพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราพิจารณาไปเราก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้มันเราว่ามันเป็นอรสุภะแต่มันก็ยังอยากจะได้อยู่นั่นเราว่ามันเป็นอนิจจังมันก็ยังอยากจะได้อยู่นันมันไม่กลัวเพราะความอยากมันมีกำลังมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสุขในใจเวลามีสมาธินี้มันมีความสุขในใจมันถึงหยุดความอยากได้เพราะมันรู้ว่า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 มีกำลังมีความอิ่มใจสุขใจเป็นเป็นฐานกำลังพอเรามีฐานกาลังอย่างนี้แล้วเวลาเกิดความอยากเราใช้เหตุผลมาต่อสู้กับความอยากความอยากก็จะใจก็จะหยุดความอยากได้พอไม่เดือดร้อนไม่ทำตามความอยากก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขอยู่แล้วที่ได้จากความสงบนี้นี่คือความแตกต่างระหว่า ง, งสมาธิกับวิปัสสนากรรมฐ า, าน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 บรรเทาความทุกข์ของเขาได้เราก็ทําไปแต่ถ้ามันอยู่ในฉีดที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วเราไปทุกข์กับเขาเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องรู้จักทําใจให้ปานุเบกขาวางเฉยใจจะปานุเบกขาได้ก็ต้องมีสมาธินี่คำถามข้อต่อไปจากคุณอัญชนานะครับหนูกาบเรียนขอความรู้ค่ะ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 ก็ปล่อยมันไปตามได้ถ้าเราภาวนาได้เราก็ภาวนาของเราไปดูลมได้ก็ดูไปพุดโธได้ก็พูดโธไปพอมันจะพับหลังมันจะงอหรือมันอะไรก็อย่าไปสนใจมันไม่งั้นเราจะไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะมันจะกลับมาที่ร่างกายการที่ใจจะเข้าสู่ความสงบได้ต้องปล่อยวางร่างกายนียเวลาเรา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 ท่านเรียกว่าคณิกะบ้างอัปปนาบ้างถ้ารวมช่วอประเดียวประดาวช่่อขณะสองขณะเรียกว่าคณิกะถ้ารวมเล่ายาวห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอัปนาได้ดังนั้นเราต้องเบื้องต้นนี้เราจะได้แต่คณิกะจิตรวมลงปับ๊บเราจะตื่นเต้นตกใจแล้วก็จะถอนออกมาแต่พอต่อไปเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็น มันพอครั้งต่อไปมันรวมเราก็จะกประคับประคับประคองด้วยสติให้รู้เฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีอกดีใจแล้วต่อไปมันก็จะสงบได้นานไปเรื่อยๆสงบได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะได้มีเป็นฐานกําลังของการเจริญปัญญาต่อไปเวลาจะเจริญปัญญานีต้องรอให้ออกจากความสงบก่อน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 ออัันนนนีี้กก็็เปปญญาามมสมธิแบบึงคำถามข้อต่อไปจากคุณปีนานะครับหากไม่อยากกลับมาเกิดอีกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ฟังเทศทเทศได้วันนี้เนอะ <laughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณจันสิรินะครับผู้ชายไม่แท้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 อาภะแล้วก็ระลึลกถึงพุทธโธธรมูสังโฆอันนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากมนอกจากจะได้สมาธิได้เจริญสติเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานนี้จะต้องมีสมาธิฏิมีปัญญาจะต้องรู้จักวิถีวิถีชีวิตการดําเนินของพระพุทธเจ้าภาษาวกว่าท่านดำเนินอย่างไรจะต้องรู้จักคําสอนของท่านว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร<ม>อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้ามพระสงฆ์เป็น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 ท่านบอกว่าการที่เราเจะไปไปเกิดไปเจอคู่บารมีของเราอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องทำบุญพร้อมๆกันทาบุญเท่าๆกันเหมือนรถสองคันถ้าขับรถไปด้วยกันถ้าความเร็วเท่ากันมันก็เกาะติดกันไปได้ถ้าคันหนึ่งเร็วกว่าคันหนึ่งช้ากว่าคันหนึ่งยางแตก <c oughs> มันก็ตามกันไม่ทัน <c oughs> แสดงว่า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 ดังนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นเวลาที่นั่งภาวนายังเป็นนิมิตที่มีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะ ก, ก็อย่าไปสนใจให้ภาวนาต่อเพื่อที่ให้ใจเข้าสู่ความสงบความว่างจะดีกว่าแต่เราเกาะติดอยู่กับนิมิตแล้วเราก็อาจจะหลงทางได้ข้อที่2พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าจะถามนะครับเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราควรทำอย่างไร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 มันไม่ได้อยู่ฐานะที่จะแผ่ไปได้ผู้รับก็ไม่มีฐานะที่จะรับได้แม้แต่ขณะมีชีวิตบอกให้นั่งสมาธิยังไม่นั่งเลยอ ย, อยากจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเงี้ย <laughs> <laughs> ก็ต้องหากว๋วยเตี๋ยวให้เขากินไ <laughs> เวลาเขาตายไปแล้วก็ซื้อกว๋วยเตี๋ยวถวายพระแล้วก็ส่งแพ้ส่ง <laughs> คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับ เนื่องด้วยมีผู้บวดรูปหนึ่งชอบพายโยมไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆไปตอนกลางคืนแต่ผู้บวดรูปนั้นก็จะนำของเส้นไหว้ซึ่งบอกว่าใช้บวงสรวงเทวดาและมีพิธีกรรมแปลกๆพอตอนที่มี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 แล้วเขาอยากจะสนับสนุนเราค้เาเงินทองกับเรามาถ้าเป็นอย่างนี้เงินทองมาโดยที่เราไม่ไปขอไปเรีือร่อยๆก็ไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปเรื่อยนี้มันก็ได้ไม่คุ้มเสียเราได้ความเมตตาเลี้ยงสัตว์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปขอเงินขอทองของผู้อื่นเขาเดินทางเขาให้เขากลับเขาอาจจะเบือ่อนะเบื่อเบื่อขี่หน้าเราเห็นหน้าที่ลายก็ขอเรื่อยต่อไปเขาอาจจะไม่อยากจะเจอเราก็ได้